ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FM 106.75 เ็มกะเฮิรตสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศีตะบนจรพัฒ อ, อําเภอศรีคอรภูมจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดําเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักยา น, นทีโร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 ยังคงเป็นมัขาที่นำพาสภสัตทั้งหลายให้ผลทุกข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียนกล่า ว, ว, วขอความสุขความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ยศโยมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านอารมภาพพระสมรักยานธีโรวัดพันธสีตำบลจารพัฒอำเภอศิครภูมจังหวัดสุรินได้มาพบปะกับยศโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำ ตั้งแต่เวลาตี5ถึงหกโมงเช้าในรายการร่วม ร, รมเวลา8ปดนาฬิกาถึงเวลา9ก0นาฬิการายการกรวีบทรรรมเวลา16บหนาฬิกาถึงเวลา17บเนาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิน่นเวลา18บนาฬิกานาทีถึงเวลา19บเนาฬิการายการกรวีบทรรท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 ในแต่ละชั่วโมงกันแล้วกันยัดยมอยู่ที่ความสะดวกถือถ้าเป็นไปได้ก็ติดตามรับฟังทุกชั่วโมงที่อาตมาภาพนั้นได้นําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ลําหลักการดําเนินชีวิตต่างๆมาฝากกับยัดยมสาธุชนทั้งหลายด้วยซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าในช่วงเป็นช่วงของบรรยากาศที่ยัดยมสาธุชนทั้งหลายนั้น ก็คงจะไม่ค่อยที่จะร้อนเท่าไหร่มากนักนะเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้เป็นช่วงฤ ด, ดูการก็ตามธรรมดาหลายโ ย, ยมสาธุชนทั้งหลายการดำเนินชีวิตของเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องดำเนินตามความเป็นอยู่ของเรานะใครที่ขยันคนนั้นก็ได้ไปใครที่เกียดคนนั้นก็ได้รับไป คือทำทุกอย่างมันก็ได้รับเหมือนกันนายจมไม่ใช่บอกว่าไม่ทำแล้วไม่ได้รับนะได้รับนายจมแต่อยู่ที่ว่ายาจยมจะได้รับความดีหรือความชั่วได้รับอะไรอยู่ที่เราทำไม่ทำก็ได้รับทาก็ได้รับนะถ้าเราทำงานก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนของการเลี้ยงชีพ บ, บ้างอะไรบ้าง ส่วนถ้าเราไม่ทำงานก็ได้รับเหมือนกันคือได้รับความลำบากได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นนี่ถึงเราไม่ทำก็ได้นะถึงเราทำก็ได้แต่มันได้ผลแตกต่างกันออกไปนะมันได้ผลแตกต่างกันออกไปถ้าจะว่าไปแล้วก็เรื่องของกรรมนั่นแหละโ ย, ย, ยมนะกรรมคืออะไรกรรมก็คือการกระทำนั่นเอง ทา ย, ยมทําดีกรรมนั้นเขาจะเรียกว่ากรรมดียจมแต่ถ้ายจมทําชั่วเมื่อไหร่กรรมนั้นเขาจะเรียกว่ากรรมชั่วนะก็แล้วแต่ว่าเราจะนะ่ะเอากรมนั้นมาใช้ในส่วนดีหรือส่วนชั่วนะ่ะยจมสาธุชนทั้งหลายก็ต้องขออนุมโมทนายจมสาธุชนทั้งหลายด้วยที่ติดตามรับฟังรายการจาก 1 6อยหเมกะเฮิร์ซและก็ร่วมติชมรายการและก็ร่วมสนทนาธรรมมาสู่รายการของอาตมภาพและก็รายการธรรมะทุกรายการด้วยที่ให้ความสนใจโดยเฉพาะคนยมที่อยู่ต่างอำเภอก็สนทนาเข้ามาสู่รายการพอสมควรทีเดียวยัดยมท่านใดที่ติดตามรับฟังที่ อยู่ห่างไกลพอสมควรที่เปิดคลื่นรับฟัง 106.75 เมกะเฮิรต์ก็สามารถที่จะสื่อสารเข้ามาสู่รายการได้ที่เพื่อแจ้งผลการรับฟังว่าขณะนี้การรับฟังเป็นอย่างไรชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาสู่รายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์044560488 ซึ่งเป็นเบอร์ของสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาก็ยกโทรศัพท์แล้วก็กดเบอร์044560488มาได้เลยยะโจมสาธิชนทั้งหลายอยู่ในช่วงของการสนธนาธรรมก็แล้วกันก็ถือว่าเป็นการสนธนาในส่วนของเรื่องราวหรือต้องการที่จะให้อัตมาภาพพูดคุยในส่วนของเนื้อหาสาระอะไรแต่ก็ในช่วงนี้ก็ยังคงนาเนื้อหาสาระ ระเบียบการปฏิบัติของชาวพุทธมาฝากกัจยโจมนะซึ่งเมื่อวานอัตมาภาพนั้นได้คุยไปแล้วในส่วนของการนะมอบเทียนฉนวนว่าในแต่ละงานงานใหญ่ๆที่เราจัดการนั้นนะเราจะปฏิบัติการมอบเทียนฉนวนเก่ผู้หลักผู้ใหญ่กันอย่างไรเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างไรในการจัดงานในแต่ละครั้งด้วยนะ แล้วก็โพด ถ, ถึงอธิบายถึงวิธีการถือเทียนเชิงเทียนชนวนด้วยแล้วก็วิธีการมอบเชิงเทียนชนวนให้กับผู้ที่เป็นประธานแล้วก็วิธีการรับเชิงเทียนชนวนจากผู้ใหญ่ด้วยหลังจากที่ท่านได้จุดเทียนชนวนเสร็จแล้วนะอันนี้ก็นํามาฝากเมื่อวานด้วยวันนี้จะนําเสนอนํามาโพดคุยให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ในส่วนของการปฏิบัติหนาคือระเบียบปฏิบัติการจุดเครื่องสักการบูชาหนาระเบียบปฏิบัติการจุดเครื่องสักการบูชานั้นเราจะมีระเบียบพิธีการปฏิบัติกันอย่างไรนามาดูวิธีการทำบุญงานมงคลก่อนกันแล้วกันญาติโยมว่าเราจะมีระเบียบปฏิบัติการจุดเครื่องสักการบูชากันอย่างไร เมื่อถึงเวลาตามกําหนดการจากงานที่เราจัดในส่วนของงานมงคลแล้วนี่ที่หลังจากที่พิธีกรถือในส่วนของเทียนชนวนเข้ามาแล้วก็เชิญไปจุดเครื่องสักการะบูชาพระัตตนาไตรผู้เป็นประธานในพิธีหรือเจ้าภาพงานนั้นให้นิยมปฏิบัตินายจอมก็คือหนึ่งละนั่นลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็เดินไปที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาพระ ถ้าโต๊ะหมู่บูชาพระตั้งอยู่ที่สูงก็นิยมยืนนะถ้าโต๊ะหมู่บูชาพระนี่ตั้งอยู่ที่ไม่สูงนักพอนั่งคุกเข่าจุดถึงก็นิยมนั่งคุกเขา่าลงแล้วก็รับเชิงเทียนชนวนจากพิธีกรแต่ว่าไม่นิยมนะแต่ไม่นิยมรับเชิงเทียนชนวนจากพิธีกรมาก่อนที่ยังไม่ถึงหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระ นะนิยมจุดเทียนเล่มขวาของพระพุทธรูปก่อนยะโจมนะคือเล่มขวาของพระพุทธรูปก่อนแล้วก็จุดเทียนเล่มซ้ายต่อไปถ้ามีเทียนตั้งอยู่หลายคู่ก็นิยมจุดเทียนคู่บนก่อนยะโจมแล้วก็จุดเทียนคู่ล่างลงมาลงมาตามลำดับจนครบทุกคู่แล้วจึงจุดทูปนะ่ะ ถ้าอาตมาภาพสังเกตเห็นบางทีญาติโยมปฏิบัติไม่ถูกเลยบางทีก็ไปจุดทูป ก, ก่อนอย่างนี้เป็นต้นไม่สมควรในญะาติโยมจุดเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบตามหลักพิธีการนะซึ่งจะต้องตามระเบียบด้วยทีนี้ญาติโยมถ้ามีสายชนวนเชื่อมโยงจากทูปไปยังเทียนทุกคู่แล้วนี่นะนิยมจุดทูป เป็นอันดับแรกถ้าทูบไม่ได้จุ่มน้ํามันเตรียมไว้นิยมถอนทูบมาจุดกับเทียนชนวนถ้าทูบจุ่มน้ํามันเตรียมไว้แล้วนี่ก็จุดได้โดยไม่ต้องถอนมาจุดกับที่เทียนชนวนอยู่ที่ว่าในพิธีการนั้นเจ้าภาพนั้นได้ทําตามหรือเปล่านะหรือจุ่มน้ํามันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอย่าจบทีนี้เมื่อจุด ทูบเสร็จแล้วนี่ก็ส่งเทียนจำนวนคืนให้แก่พิธีกรแล้วก็ปักทูบไว้ตามเดิมวิธีปักทูบในนิยมปักเรียงนะปักเรียงหนึ่งแถวเดียวกันโดยเว้นระยะห่างเท่าเทกันให้ทูบแต่ละดอกสูงต่ำพอๆกันคือหมายความว่าเวลาเราตักปักนั้นปักทีละดอกในะยะโจมนะเสียบไม่เป็นแถวนะเรียงหน้ากระดานแถวเดียว นะแล้วก็ระยะห่างก็พอๆกันนะไม่ต้องไปถึงกับเอาตลับเม็ดไปวัดกล่าวว่ามันพอดีนะญาติโยมแล้วก็ไม่สูงไม่ต่ำนะก็คืออยู่ระหว่างพอๆกันนะบางทีก็นิยมปักทูบเป็นสามเซ้าก็ได้นะก็แล้วแต่แล้วก็นิยมปักทูบไว้กึ่งกลางกระถางทูบโดยปักทูบทุกดอกให้ตั้งตรง อันเป็นการแสดงถึงนิสัยอันดีและก็เป็นอัธยาศัยของผู้นั้นว่าเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยเป็นคนซื่อตรงไม่ใช่คนมักง่าย น, นี่ก็สังเกตดูง่ายเช่นเดียวกันสังเกตดูคนปักทูบก็ได้ญาติโยมนะคนไหนที่มีระเบียบเรียบร้อยเป็นคนที่ซื่อตรงเป็นคนที่ไม่งักง่ายก็พยายามสังเกตดูการปักทูบด้วยก็แล้วกันนะคนไหนปักทูบแบบมักง่ายก็เป็นคนมักง่ายนั่นเลยญาติโ ย, ยมนะ เราไม่ต้องไปสังเกตไกลหรอกดูแต่การประพฤติปฏิบัติของคนก็รู้แล้วว่าคนนั้นมีนิสัยกันอย่างไรทีนี้ก็มาถึงคำบูชาพระรัตนตรัยโมเมื่อเราปักธูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นิยมตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยนั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะ ก็คือคำบูชาพระนตไตรก็คือนั่นแหละก็คือนะโมตจะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนั่นแหละยัต ย, ยมสามหนหลังจากนั้นเราก็กล่าวคำบูชาเครื่องสักการะบูชาก็คืออิมินาสักการณ์นะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการณ์นะธมังอภิปูชายามิอิมินาสักการณ์นะสังคังอภิปูชายามิ ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในหมายความว่ า, านะโมตัสสะนายจมบทแรกส่วนบทอีกสามบทเมื่อสักครู่นั้นก็คือแปลว่าข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะบูชานี้ แล้วก็ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้หลังจากที่เรากราวบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วก็วิธีการกราบพระรัตนตรัยต่อคือเมื่อเรากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจบแล้วก็นิยมกราบพระรัตนตรัยแบบเบญจางค้ระดิษก็คือ การตั้งหน้าผากฝ่ามือทั้งสองและเข่าทั้งสองลงจดพื้นสามครั้งแล้วก็ในขณะที่หมอบกราบพระรัตนตรัยแต่ละครั้งนั้นให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยการระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยหมายมความว่าอย่างไรก็หมายความว่าขณะที่เรากราบอยู่นั้นนะกําลังที่เรากราบปุ๊บลงไปครั้งแรกนี่ให้เราระลึกนึกถึง พระพุทธเจ้าโดยใช้คํากล่าวว่าพุทโธเมนาโถนะพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพรเจ้านะแล้วก็เงยขึ้นแล้วก็กราบครั้งที่สองเราก็กล่าวว่าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพรเจ้านะกราบครั้งที่สองกราบครั้งที่สก้มลงไปนาะถึงพื้นแล้วก็กล่าวว่า สังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพรเจ้าอต่ น, นี้คือคําละลึกถึงพระรัตนาไตรขณะกราบนะไม่จะเป็นต้องอมีเสียงออกมาก็ได้หรือถ้ามีเสียงออกมาก็ได้ ก, ก็ได้ยัดยมนะกิริยาอาการที่กราบเนี่ยยัตยัยมสาธุชนทั้งหลายอย่าไปกราบเร็วมากนะักหรือช้าจนเกินไปนะก็นิยมกราบให้ถูกต้องตามแบบเบญจางค้าพระษฐ์จริงๆ ทุกครั้งที่กราบพระรัตนตรัยนะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นทิฏฐานนุคติแก่นุชนรุ่นหลังจะได้ถือเป็นแบบอย่างปฏิบัติตามได้ถูกต้องสืบต่อไปเนื่องจากว่าทุกวันเรากราบไม่ค่อยถูกนะลูกหลานเราเวลามากราบพระก็กราบไม่ถูกเหมือนการยัดยมไม่ได้กราบตามหลักของเบญจามขาประดิษฐ์กันกราบสักว่าจกราบนะสองสามครั้งกราบเร็วด้วยนะไม่รู้จะกราบไปตามอะไรนะ ทีนี้มาดูหลักการจุดเทียนน้ํามนต์นะโยมหลักการจุดเทียนน้ามนต์ผู้ที่เป็นประธานพิธีหรือผู้เป็นเจ้าภาพงานทําบุญมงคลนั่นนี่นิยมรอคอยเวลาจุดเทียนน้ำมนต์ถวายพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่งแม้จะมีธุระอย่างใดก็ควรงดเว้นไว้ก่อนเมื่อพระสงฆ์ยศโยมเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทมงคแลแสูตรว่า อเสวนาจะพาลานังนะพิธีกรจุดเทียนชนวนเข้าไปเชิญประธานหรือเจ้าภาพงานไปจุดเทียนน้ำมนต์ซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าของพระเถระผู้เป็นประธานสงฆ์เมื่อจะจุดเทียนน้ำมนต์นั้นนีนิยมหยดน้ำตาเทียนชนวนลงที่นาลงที่ไส้ของเทียนน้ำมนต์นั้นก่อน นะซึ่งจะทำให้การจุดไฟติดได้ง่ายและกระใสกเทียนน้ำมนต์นั้นจะไม่ถูกไฟไหม้หมดไปเสียก่อนเมื่อจุดเทียนน้ำ ม, มนต์แล้วนี่ก็ส่งเทียนจนวนคืนให้แก่พิธีกรแล้วก็ยกภาชนะน้ำ ม, มนต์ถวายแก่พระเถระผู้เป็นประธานสงฆ์นั้นญาติยโยมเมื่อเรายกภาชนะน้ำ ม, มนต์เนธถวายท่านแล้วนี่ ก็นิยมยกมือไหว้พระเถระประธานส่งแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมต่อจากนั้นนี่ถ้ามีธุรกิจจาเป็นก็พอเปลีตัวไปได้บ้างแต่ความนิยมแล้วนี่ผู้เป็นประธานพิธีนะหรือเจ้าภาพงานนั้นไม่นิยมเปลี่ตัวไปไหนในขณะที่พระสงฆ์กำลังเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ประธานพิธีหรือแก่เจ้าภาพนั้นนี่ นิยมนั่งอยู่เป็นประธานงานจนกว่าจะเสร็จพิธีจึงจะเป็นการถูกต้องแล้วก็เหมาะสมทุกประกาศด้วยอันนี้ในส่วนของงานที่เป็นงานมงคลนะยจมทีนี้มาดูงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนะก็คือผู้เป็นประธานพิธีหรือเป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนั้นเนี่ยนิยมปฏิบัติในการจุดเครื่องสักการะบูชาตามลำดับ เดี๋ยวจะว่าให้ฟังลาดับแรกก็คือจุดเครื่องสักรารบูชาที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปก่อนแล้วก็ส่งเทียนจำนวนคืนให้แก่พิธีกรแล้วก็นั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคําบูชาพระรัตนตรยัยนันะ่นโมตทสะนั่นแหละครั้งก่อนนั้นที่ว่าไปแล้วแล้วก็กราบพระรัตนตรัยสามครั้งแล้วก็เดินไปจุดเครื่องสักรารบูชาพระธรรมที่โต๊ะบูชาพระธรรมข้างหน้าอาจสง์ ที่พระสงฆ์สวดพระพิธรรมแล้วก็ส่งเทียนชนวนคืนให้แก่พิธีกรน้อมตัวลงยกมือไหว้นอบน้อมพระทับเดินไปจุดเครื่องสักการะบูชาศพที่โต๊ะเครื่องตั้งหน้าศพโดยจุดเทียนหนึ่งคู่แล้วก็จุดธูปหนึ่งดอกนั่งคุกเข่าประนมมือพร้อมทั้งธูปยกขึ้นจบบูชาศพ โดยนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วพร้อมกับกล่าวคำขอขมาโทษต่อศพการกล่าวคำขอขอขมาโทษต่อศพเนี่ยเดี๋ยวจะกล่าวไว้ในตอนหลังนะจะจว่าเขาจะกล่าวกันอย่างไรนะคือเอาไว้ไปกล่าวโู่นหลังๆนะในระเบียบการปฏิบัติในงานศพด้วยว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไรนะหลังจากที่เรากล่าวคำขอขมาเสร็จแล้วเราก็ปักทูบไว้นะกระถางทูบ ถ้ามีเครื่องทองนะถ้ามีเครื่องในส่วนของเครื่องทองน้อยนะ่ะสาหรับผู้ตามรอยบูชาพระธรรมตั้งอยู่ที่หนา้าเครื่องตั้งหีบศพนั้นก็นิยมจุดเครื่องสัการะบูชาที่เครื่องทองน้อยแล้วก็ส่งเทียนจำนวนคืนให้เก่พิธีกรแล้วหันหน้าเครื่องทองน้อยนั้นนะ่ะคือหันด้านที่ตั้งดอกไม้ออกไปทางพระสงฆ์สวดพระไบธธรรม เพื่อให้ผู้ตายสักการะบูชาพระธรรมแล้วก็หมอบ ก, กราบศพหนึ่งครั้งโดยกระพุ่มมือกราบจึงจะกล่าวในต่อไปในครั้งหน้ายัตยมแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมทีนี้เราจะจุดเครื่องบูชาพระนรัตไกรอย่างไรในส่วนของการบำเพ็ญพิธีบำเพ็ญกุศลโดยมีพระธรรมเทศนาและพระสวดรับเทศ ทีนี้การบำเพ็ญกุศลงานศพญาติโยมเช่นงานทำบุญสัตตมวานคือเจวันงานทำบุญปัญญาสะมะวานคือทำบุญห0วันงานทำบุญสัตตมวานทาบุญ100วันเนี่ยนิยมจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลศพนาต่างๆดังนี้ญาติโยมประการแรกก็คือมีเทศและก็พระสวด ร, รับเทศในเวลาเยน็นมีประสงสวดพระพุทธมนต์ต่อจากพระเทศ แล้วก็มีพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจอต่อจากพระสงฆ์สวดพระพุทธมนตรในวันรุ่งขึ้นก็มีการถวายพระฐานเพนและก็มีพระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุลโดยมากนิยมจำนวนเท่ากับอายุของผู้ตายตามรายการมาเป็นกุศลนั้นมีวิธีปฏิบัติในการจุดเครื่องสการะบูชาดังนี้นายจตุ ย, ตยมคือระเบียบการปฏิบัติเมื่อพระเทศ คือจุดเครื่องสักการบูชาที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปแล้วนี่ก็นั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคําบูชาพระนตัยสามหนแล้วก็จุดเทียนนะจุดเทียนในส่วนของบูชาพระธรรมแล้วก็มอบให้พิธีกรนําไปตั้งไว้บนธรำ ม, มาศเพื่อบูชาพระธรรมจากนั้นก็จุดเครื่องสักการบูชาศพแล้วก็จุดเครื่องทองน้อยที่ตั้งอยู่ข้างหน้าศพแล้วก็หันหน้าเครื่องทองน้อย ไปทางพระเทศเพื่อให้ผู้ตายบูชาพระธรรมเทศนานแล้วก็นั่งคุกเข่าหมอบกราบศพหนึ่งครั้งแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมจากนั้นก็พิธีกรกล่าวอาราธนาศีลหาพระเทศให้ศีล ร, รับศีลจบแล้วก็พิธีกรกล่าวอาราธนาธรรมต่อไปคือพระมาจลกาทิปติสามปติกอัญเชลีอันทิวรังอายาจาถสันติถสตปปรกชักติกาเทเสตุ ทำมังอนุกรรมปีมังประชังนั่นแหละยะโจมหลังจากที่เรากล่าวอาราธนาธรรมแล้วเจ้าภาพหรือประธานพิธีจุดเครื่องทองน้อยซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าด้านขวามือนั้นแล้วก็หันหน้าเครื่องทองน้อยไปทางพระเทศเพื่อบูชาพระธรรมเทศนาแล้วก็ประนมมือฟังพระธรรมเทศนาต่อไปจนจบกันเมื่อพระทศจบแล้วเจ้าภาพหรือประธานพิธี เดินไปจุดเครื่องสักการะบูชาพระธรรมที่ตั้งอยู่ข้างหน้าอาจสงพระสงฆ์สวดรับเทศเมื่อจุดเสร็จแล้วก็น้อมตัวลงยกมือไหว้พระธรรมกลับไปนั่งที่เดิมประนมมือฟังพระสงฆ์สวดพระคาถารำบรรยายต่อไปทีนี้เมื่อพระสงฆ์สวดคาถารมบรรยายจบแล้วนี่เจ้าภาพหรือประธานพิธีก็ลุกขึ้นไปถวายเครื่องกัาเทศ แล้วก็ถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์สวด ร, รับเทศแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมจากนั้นก็พิธีกรทอดผ้าผูสายโยงหรือทอดได้สายศิลที่โยงมาจากศพเพื่อเตรียมทอดผ้าบังสุ kul เจ้าภาพหรือประธานพิธีลุกขึ้นไปทอดผ้าบังสุ k u แล้วเดินกลับไปนั่งที่เดิมขณะที่พระสงฆ์กล่าวคำพิจารณาผ้าบังสุ k u เนี่ยโยม เจ้าภาพหรือประธานพิธีประนมมือฟังเมื่อพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนายถาเราก็นิยมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตายเมื่อพระสงฆ์ขึ้นสัพพิตโยนะกรวดน้ำเสร็จแล้วนี่ประนมมือรับพรต่อไปจนจบทีนี้ระเบียบปฏิบัติการเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนตะจมนาะสวดพระพุทธมนตร ถ้าเป็นงานมงคลก็เรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์ถ้าเป็นงานอาว่ามงคลก็เรียกว่าสวดพระพุทธมนต์คือเมื่อประสงค์ได้รับอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์นั่งบนอาจสงเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ต้องจุดเครื่องสักการบูชาอีกเพราะพิธีบําเพ็ญกุศลต่อเนื่องกันมาจากการมีการเทศแล้วพิธีกรก็เริ่มกล่าวอาราธนาพระปริตต่อไปไม่ต้องอาราธนาศีลอีกเพราะได้รับศีลมาแล้วจากการเทศ เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วในเจ้าภาพหรือประธานพิธีก็ทอดผ้าบังสุกุ l โดยมากก็นิยมใช้ผ้าไตรยัดจมูกเมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุ l แล้วนิยมยังไม่ต้องให้พรเพราะวันพรุ่งนี้ยังจะต้องมาฉันพัฒหารเพนอีกครั้งหนึ่งวิธีปฏิบัติเมื่อพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเราจะทากันอย่างไร ก็เมื่อพระสงฆ์มานั่งบนอาจสงสําหรับสวดพระอภิธรรมเรียบร้อยแล้วนี่เจ้าภาพหรือประธานพิธีจุดเครื่องสักการะบูชาพระธรรมที่โต๊ะหน้าอาจสงสวดพระอภิธรรมในการสวดพระอภิธรรมเนี่ยบางท้องถิ่นเนี่ยนิยมให้พิธีกรกล่าวคําอาราธนาพระธรรมก่อนเริ่มสวดและก็นิยมให้เจ้าภาพหรือประธานพิธีหรือวงญาติผู้ใดผู้หนึ่งต้องจุดธูป บ, บูชาพระธรรม ก่อนสวดทุกจบเพื่อเป็นการอาราธนาให้ประสงส์วสวดพระพิธรรมเมื่อประสงส์สวดพระพิธรรมโดยมากเนยโยมนิยมเพียงสี่จบแล้วพิธีกรก็เก็บเครื่องส ก, การะบูชาพระธรรมและตู้พระอภิธรรมแล้วก็ยกเครื่องไทยธรรมยกเครื่องไทยธรรมมาตั้งบนอาจสองเตยโยม เจ้าภาพหรือประธานในพิธีหรือวงญาติช่วยกันถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมพิธีกรก็ทอดผ้าภูสายงหรือทอดด้วยได้สายศีลแล้วเชิญเจ้าภาพหรือประธานในพิธีให้ทอดผ้าบังสุกุลเมื่อประสงค์พิจารณาผ้าบังสุกุลจบแล้วก็เริ่มอนุโมทนายาถาเจ้าภาพหรือประธานพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นอันเสร็จพิธี ทีนี้มาดูว่าการปฏิบัติเมื่อพระสงฆ์สวดถวาย พ, พรพนะในวันรุ่งขึ้นของการบำเพ็ญกุศลเวลาใกล้เพลนเมื่อพระสงฆ์มานั่งพร้อมกันบนอาจสงเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพหรือประธานพิธีจุดเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรยัยแล้วก็ปฏิบัติการต่างๆดั ง, งที่กล่าวมาเริ่มต้นนั้นจากนั้นก็จุดเครื่องสักการะบูชาศพแล้วก็ปฏิบัติ การต่างๆตามที่กล่าวมาเมื่อพิธีกรกล่าวรัธนาศิน่าพระเถระประธานสงไงศีลรับศินพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วก็ถวายพัตฐารเมื่อพระสงฆ์ฉันพัตตาหารเพนเสร็จแล้วในเจ้าภาพหรือประธานพิธีถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ก็อนุโมทนาเจ้าภาพหรือประธานพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วถือว่าเป็นเสร็จพิธี ทีนี้หลักการวิธีการปฏิบัติเมื่อพระสงฆ์สวดมาตีกาบางสุกุลนาะมาติกาบางสุกุลก็คือวิธีปฏิบัติเมื่อพระสงฆ์สวดมาตีกาบังสุกุลก็คือเมื่อพระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนามานั่งบนอาจสงเรียบร้อยแล้วในก่อตั้งพัดสวดมาตีกาพอสวดจบแล้วเนี่ฝ่ายเจ้าภาพก็ช่วยกันถวายเครื่องไตรธรรมถ้ามี พิธีกรก็ทอดผ้าภูสายงหรือทอดได้สายสินเตรียมทอดผ้าบังสุ kul เชิญเจ้าภาพหรือประธานพิธีพร้อมวงสาคณาญาติและท่านผู้มาร่วมบําเพ็ญกุศลให้ช่วยกันทอดผ้าบังสุ kul ก, การทอดผ้าบังสุ kul นี้นิยมทอดตามขวางผ้าภูสายงหรือขวางได้สายศินถ้าอาจสงแคบก็นิยมทอดผ้าบังสุ kul ไปตามยาวของภูสายง หรือตามยาวของได้สายสินการทอดผ้าบางสกลุลนิยมไม่ต้องยกถวายแก่พระสงฆ์เพราะถือว่าเป็นการวางผ้าถวายไว้โดยการโดยทอดอะไรไม่มีความเสียดายห่วงใยในผ้านั้นเมื่อทอดผ้าบางสกุลเสร็จแล้วนี่ก็จะกลับไปนั่งที่เดิมหรือจะนั่งอยู่ข้างหน้าพระสงฆ์นั้นก็ได้แต่เมื่อพระสงฆ์ตั้งพัดพิจารณาผ้าบางสกุลแล้วนี่ก็อนุโมทนา เจ้าภาพหรือประธานพิธีก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตายอีกครั้งหนึ่งถ้าอาสงนาไม่เพียงพอสำหรับพระสงฆ์ที่อาราธนามาสวดมาติกาญาจมนาในการสวดมาติกาบางสกุลามาสวดพร้อมกันไม่ได้หมดนี่พรอมก็ให้นิยมจัดนิมนพระสงฆ์ขึ้นบางสกุลเป็นชุดๆไปจนกว่าจะครบตามจำนวนที่นิมนมา นนี้ก็คือเป็นร ะ, ระเบียบพิธีแบบแผนที่ญาติโยมฟังแล้วก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์หรือพระกุณเจ้าสามารถที่จะนําไปบอกญาติโยมให้เข้าใจในหลักของการทําบุญในหลักของการลึกนึกถึงในหลัของการจุดทูปเทียนบูชาปรัตถนาไตรเขาเรียกว่าระเบียบการจุดเครื่องสักการะบูชายาติโยมนะเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังกันนะก็ถือว่า วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อกันลวกันในส่วนของระเบียบปฏิบัติการอาราธนาศีลเป็นต้น่าในงานมงคลเนี่ยเราจะอาราธนาศีลกันตอนไหนอย่างไรนะอาราธนาศีลแปดเราจะอาราธนากันอย่างไรอาราธนาพระปริศเราจะอาราธนากันตอนไหนวิธีทำบุญงานอาวมงคลเราจะทำกันอย่างไรนะก็วันพรุ่งนี้ ก็มาพบกันจะมาภาพต่อก็แล้วกันในช่วงของท้ายรายการ20นาทีนี้ก็อยากจะนําในส่วนของอเรื่องราวของนิทานธรรมะมาฝากญาติโยมที่ติดตามรับฟัง 16.75 เมกะเฮิรต์ด้วยวันนี้ น, นํานิทานเบาสมองมาฝากญาติโยมในเรื่องของอกินปูนร้อนท้องมาฝากญาติโยมกินปูนอย่างไรถึงร้อนท้อง ญาติโ ย, ยมต้องติดตามรับฟังในส่วนของ 106.75 กจุเหมหลังจากที่ญาติโยมนั้นได้ฟังสิ่งที่ดีมีประโยชน์จากทางสถานีแล้วแล้วค่อยเข้ามาสู่รายการกันต่อไปก็แล้วกันสะอาดกายไกลทุกเปี่ยมสุขได้สว่างใจบริบูรณ์เปี่ยมคุณค่า สงบเป็นปกติมั่นเปี่ยมปัญญาร่วมงดเล่าเข้าพรนษาบูชาธรรมด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนพระปริยติธรรมพันศรีวิทยาและสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจารพัทน์อำเภอสิขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ เข้าพรรษาปีนี้ก็งดเหล้าได้ยิ่งดียะโจมนะเข้าพรรษาแล้วก็หยุดยกเลิกอบายามุกต่างๆก็จะถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะฝากไว้สําหรับร้อยหกจเมกะเฮิร์ด้วยความปรารถนาดีจากอัตมภาพและก็สถานีวิทยุชุมชนเป็นห่วงเป็นใหญ่ยะโจมที่ยังคงดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษานี้อยู่ วันนี้จะนำนิทานหัวข้อที่84ในพระพุทธเจ้าห0 0ชาติมาฝากกัดจายโยมนะในเรื่องของกิ่นปูนร้อนท้องเรื่องนี้เกิดขึ้นที่กรุงพราราณสียดยมมีเศรษฐีคนหนึ่งนั้นมีคนใช้อยู่หลายคนด้วยกันวันหนึ่งยดยมเศรษฐีก็เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำแล้วก็ได้ถอดแหวนวางไว้ที่นั่น เมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินออกไปโดยไม่ได้หยิบเอาแหวนไปด้วยเลยยะจมลืมเขาก็มานึกได้ต่อเมื่อขึ้นไปถึงห้องนอนชั้นบนแล้วยโจมเมื่อขึ้นไปถึงห้องนอนแล้วเจ้าก็เลยรีบนะเพราะว่าลืมเนี่ยก็เลยรีบลงมาดูในห้องน้ำแต่ปรากฏว่าโดวอนิจจาน่าเสียดายเหลือเกินแหวนนั้นได้อัญตทานหายไปเสียแล้ว แกก็บ่นพึมพรรมว่ามันหายไปได้ยังไงเศรษฐีก็นึกสงสัยอยู่ในใจคงจะเป็นคนใช้คนหนึ่งคนใดแน่นอนหยิบเอาไปแน่นอนนะเธอหนะ่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เขามีแผนย่าจบยันโยมนี่จะจับโจรนี่ต้องต้องต้องดูเศรษฐีคนนี้นะย่าโจม จากนั้นเศรษฐีจึงหาไม้เล็กเยกนะยาวได้ขนาดเท่ากันมาเตรียมไว้ตามจำนวนของคนใช้ทั้งหมดยาจบครั้นแล้วนี่ก็เรียกคนใช้มาประชุมพร้อมกันเล่าให้ฟังว่าในเจ้าทั้งหลายวันนี้นะขณะที่ข้าเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำเราเนี่ได้ถอดแหวนลืมทิ้งไว้ในห้องน้ำ และก็เพิ่งมานึกได้เมื่อสักครู่นี้เองแต่พอเราเนี่ยกลับเข้าไปดูในห้องน้ำปรากฏว่าแหวนของเรานั้นได้หายไปเสียแล้วหากใครเนี่ยหยิบเอาไปก็ให้เอามาคืนค่าเสียข้าจะให้รางวัลอย่างงามทีเดียวอยาจบคนใช้เนี่ยอยาจบ ซึ่งเป็นผู้ที่หยิบเอาแหวนไปเนี่ยเมื่อได้ยินดังนั้นนี่ก็ชักจะร้อนตัวนะกระซับกระใสยอยากจะสารภาพความจริงเหลือกเกินยะจบคือสารภาพว่าเราเนี่ยขโมยนะว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อยากจะคืนแหวนให้เศรษฐีเสียแต่ด้วยตัวเองไงละอายนาะยยโยมนะ นาแต่รู้สึกละอายเพื่อนคนใช้ด้วยกันจึงจำเป็นต้องนิ่งเฉยเสียแต่ก็โดยนึกในใจว่าเพื่อนเขานิ่งได้ข้าก็นิ่งได้เหมือนกันนะเย็นใจเย็นใจห้ามใจห้ามใจเ ถ, ถอะเศรษฐีคงจับข้าไม่ได้แน่นอนนี่ข้าจะนิ่งอุปเอาไว้ก่อนว่าอย่างนั้น ภายหลังที่ติดถีได้ซักไซไล่เลียงคนใช้ในญาติโยมอยู่บนโยเป็นเวลานา น, านพอสมควรเมื่อเห็นไม่มีผู้ใดรับในญาติโยมก็เลยกล่าวต่อไปนาเ ก, กก็มีแผนรอบสองเมื่อกี้ให้คืนดีๆไม่ยอมนะนี่รอบสองแล้วนะแ ก, กก็บอกว่าเจ้าทั้งหลายไม่เป็นไรล็อกหากไม่มีใครรับว่าหยิบเอาไปข้าก็จะใช้วิธีของข้า ซึ่งเคยจับขโมยได้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วจําไว้นะคราวนี้ข้าจับได้คนไหนข้าจะไล่มันคนนั้นออกจากบ้านทันทียะจบนะว่าแล้วก็ออกคําสั่งให้คนใช้เข้าไปรับหมายที่เตรียมไว้คนละหนึ่งงานยะโจมพร้อมกับสั่งในตอนท้ายว่าอย่างนี้นะแกสั่งว่าอย่างนี้นะ พอเก๋ให้ไม้หมดแล้วเนี่ญาติโยมให้คนละอันคนละอันไปหมดแล้วนี่นะเกก็บอกสามทับต่อว่ากลับไปได้แล้วอีกสักครู่ค่อยมาใหม่พร้อมทั้งนําไม้อันนี้มาด้วยหากใครเป็นผู้หยิบแหวนไปไม้ของผู้นั้นจะต้องยาวกว่าคนอื่นนะคือไม้ของผู้นั้นจะต้องยาวกว่าคนอื่นเขาหนึ่งิ้วกว่า <laughs> จากนั้นนยยอดโยมคนใช้ทั้งหมดก็พากันทยอยออกไปด้วยหน้าตาแจ่มชื่นเบิกบานยกเว้นเสียแต่คนที่หยิบเอาแหวนไปยอดโยมเขาหารู้อุบายของเศรษฐีไหมจึงหักไม้ทิ้งเสียหนึ่งนิ้วด้วยกลัวมันจะยาวกว่าของคนอื่น <c oughs> โอ้ยอดโยมแผนนี้ใช้ได้นะยตดโยมนะ เอาไปใช้ดูแล้วกันนะเมื่อได้เวลานี่บรรดาคนใช้ทุกคนก็ต่างนำไม้เขาไปมอบคืนให้เศรษฐีและจากผลการตรวจสอบ ก, ก็ปรากฏว่าไม้ของคนขโมยนั้นน่าสั้นกว่าคนอื่นๆหนึ่งนิ้ว เศรษฐีจึงจับได้ว่าเจ้าคนนี้เองเป็นผู้หยิบเอาแหวนไปด้วยอุบายเพียงนี้ยะจบนาก็หมายความว่าเศรษฐีนี่ฉลาดยะโจมนากก็สั่งไว้บอกว่ากลับไปได้แล้วนะสักครู่ค่อยมาใหม่พร้อมทั้งนำไม้อันนี้มาด้วยแก่ก็บอกว่าหากใครนี่เป็นผู้หยิบแหวนไปไม้ผู้นั้นจะต้องยาวกว่าคนอื่นเขานึงนิ้วแน่นอน โจรมันร้อนตัวสิยะโจมใช่ไหมคนทําชั่วไว้เนี่ยมันร้อนตัวนะแต่เวลาเขาจะจับโจรเนี่ยเขาจับเนี่ยเศรษฐีนี่ฉลาดจับโจรเหลือเกินนะฉลาดจับโจรคนนี่ก็กลัวอาญาสิเอีต่อวูเศรษฐีเอาจริงไว้ยงั้นแม่งงั้นเราฉลาดกว่าเศรษฐีนี่หารู้ไหมว่าไอความฉลาดนั้นก็คือความโง่องของเขาหน่ะนะนะนะที่ขโมยหน่ะนะนะ ก็เลยไปหักไม้ออกสักหนึ่งนิ้วกลัวจะยาวกว่าโค้งคนอื่นแต่หารู้ไหมว่าในใจของเศรษฐีนั้นคิดแล้วว่าใครที่สั้นกว่าคนอื่นนั่นแหละคือเพราะว่าแกเนี่ยเหลามาไม้เท่ากันเป๊ะเลยญาติโยมหนึ่งเม็ดก็หนึ่งเม็ดเท่ากันนะหนึ่งเม็ดก็หนึ่งเม็ดเท่ากันน่ะก็เอาไม้มาเหลาๆๆๆๆอย่างดีน่ะหนึ่งเม็ดเท่ากันสวยน่ะก็ไปประกาศ ประกาศบอกว่าใครขโมยนี่เรานี่ใช้อุบายนี้มานักต่อนักแล้วเราใช้อุบายนี้ได้ผลประโยชน์มามากแล้วทีนี้โจพรพ่อได้ฟังอย่างนั้นนี่กลัวครับนะกลัวนะยายจอมนะนะกลัวก็เลยวางแผนไม่ได้ไม่ได้ไไดในใจเขานะไม่ได้ไม่ได้ต้องหักสักหนึ่งนิ้วมันจะได้ไม่ยาวกว่าของคนอื่นวิ่ง ผลสุดท้ายก็รู้ยาจมคนนี้เองที่ขโมยไปคติที่ได้จากเรื่องนี้ก็หมายความว่าอย่างไรยาจมก็หมายความว่าคนที่ทําความผิดส่วนใหญ่แล้วมักจะร้อนตัวเช่นนี้เสมออย่างที่โบราณท่านกล่าวไว้ว่ากินปูนย่อมร้อนทองนั่นแหละนั่นแหละยายมอันนี้ก็นํานิทานนะ มาฝากญาติโยมเอาไปเล่าให้ลูกหลานฟังต่อก็แล้วกันหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันนำไปประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์นะเพื่อที่จะจับโจร น, <c oughs> <c oughs> นะก็แล้วแต่ว่าญาติโยมนะฟังแล้วก็เป็นคติสอนใจในสมัยพุทธกาลนะันำมาฝากญาติโยมด้วยนะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าฟังอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันอนะาตมาเห็นแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับญาติยโยมด้วย อาจจะมีประโยชน์กับญาติโยมไม่มากก็น้อยก็แล้วกันญาติโยมนะก็เอาไปใช้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันในช่วงของท้ายรายการในวันนี้ก็เหลือประมาณ6 7นาทีาญาติโยมท่านใดที่จะต้องการแจ้งผลรับฟังหรือต้องการที่จะร่วมสนทนาธรรมการตรมภาพก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0445,60 488ด้วยนะก็แล้วกันนะก็ข อ, อนมทนาญาติโยมที่ยังคงติดตามรับฟังรายการ 106.75 ไม่เคยเป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวนะบางทีก็ไม่กล้าที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการอาตมาภาพก็เข้าใจในส่วนของตรงนี้เพราะว่าโทรมาแล้วคุยกับพระไม่เป็นว้ยวงก็ไม่เป็นไรก็ฟังตั้งใจฟังดีแล้วหลยายญาติโยมนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะอาตมาภาพก็จะพยายามนำเรื่องใกล้ๆตัวนี่แหละที่ญาติโยมเห็นในปัจจุบันนะที่เห็นในสังคมปัจจุบันมาบอกกล่าวเล่าแจ้งพร้อมกับนำสิ่งดีๆในเกล็ดความรู้และก็นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาฝากทุกวันด้วยนะ่าจะเป็นประโยชน์ของญาติโยมต่อไปก็แล้วกัน น, ะนาไปพิจิตรพิจารณา ในช่วง18นาฬิกา30นาทียดโยมสามารถติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพได้ในช่วงหนึ่งก็คือรายการอากวีบทรถธรรมและก็เวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นรายการสนทนาธรรมในส่วนของรายการธรมรมะเพื่อชีวิตนะก็จะพูดคุยสองรูปด้วยกันนะก็มาจัดรายการคู่นะก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดในส่วนของมงคล38ประการ นะมงคล38ประการเพราะฉะนั้นวันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลานะก็คงจะสมควรแก่เวลานะก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะก็ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ยังคงติดตามรับฟังรายการนะของ1675เไมโคเฮิร์เป็นประจำทุกวัน ในะในส่วนของธรรมะด้วยที่เห็นว่าญาติโยมนั้นได้โทรศัพท์เข้ามาแจ้งผลการรับฟังนุนอจากปรางกูก็มีจากลําดวนก็มีจากอําเภอเมืองก็มีนะจากอำนมาจากอำเภอสนมก็มีนาะก็ถือว่า16อยหก้าไม่เกิดนั้นญาติโยมได้เปิดเคลื่อนรับฟังแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของธรรมะนี่ถือว่าเป็นเรื่องยากแต่ก็มีญาติโยมนั้นติดตามรับฟังทุกวันนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วละ่ะ นะฟังธรรมะวันละเน็ตจิตแจ่มใสนะเพื่อช่วยบรรเทาในส่วนของความเครียดในะในส่วนหลายเรื่องไรายประการฟังธรรมะบ้างก็อาจจะช่วยได้บ้างนะแต่ที่จริงแล้วธรรมะนี่ช่วยได้ทุกอย่างหลยิโยมถ้าเอาไปปฏิบัติจริงมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนนะยโยมนะเพราะฉะนั้นนี่วันนี้อัตมาภา พ, พระสมรักษายาีโร วัดพันสีตำบลจรพัอำเภอสิอรภูมิจัังหวดสุรินทร์ต้องขอลาพาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านขอจะเรินพร